เครืพระปุติคัตติติสะเทระพระศาสดาเมื่อทรงประทับในกรุงสาวัตถีทรงปรารบพระเทระชื่อปุตะติคัตติติสะเทระคุณบุตรผู้หนึ่งฟังธรรมกถาในสำนักพระศาสดาถวายชีวิตในพระศาสดาอุปสมบทแล้วได้ชื่อว่าปราติสะเทระ การล่วงไปโรเกิดขึ้นในสรีระของท่านต่อมทั้งหลายประมาณเท่าเม็ดพักกาศผุดขึ้นโตขึ้นโดยลำดับเท่าเม็ดถั่วเขียวถั่วดาผลกระเบาผลมะขามป้อมผลมะตูมแตกแล้วทั้งสรีระเป็นแผลช่องเล็กช่องน้อยจึงได้ชื่อว่าปุติคัตตะแปลว่าผ um ู้มีกายเน่าต่อมากระดูกแตกแล้วใครๆก็ไม่อาจอุปการะได้ พานุ่งพาห่มเปื้อนเลือดน้ำหนองเป็นประดุดขนมร่างแหภิกษุพากันทอดทิ้งเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งนอนเศร้าแล้วพระศัสดาสเสด็จมาพยาบาลและแสดงธรรมพระอุปนิสัยแห่งอรหันต์ของติดสะภิกษุสเสด็จไปสู่โรงไฟต้มน้ําร้อนเปลืองผ้าห่มผ้านุ่งขยําน้ําร้อนพึงแดดรดสรีระด้วยน้ําอุ่น ทรงถูสรีระของเธอเธออาบน้ำนุ่งห่มผ้าแล้วเป็นผู้มีสรีระเบามีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งนอนบนเตียงทรงตรัสแก่เธอว่าภิกษุอันว่ากายของเธอนี้ครั้นมีวิญญาณไปปราดแล้วหาประโยชน์ไม่ได้จากนอนทับซึ่งแผ่นดินดุดท่อนไม้ท่อนฟืนดังนี้แล้วทรงตรัสระคาถาว่าไม่นานนอ กายนี้จกนอนทับซึ่งแผ่นดินอันว่ากายนี้ครั้นเมื่อมีวิญญาณไปปราดแล้วอันบุคคลเข้าทิ้งเสียแล้วราวกับว่าท่อนไม้หาประโยชน์ไม่ได้ฉะนั้นในเวลาจบเทสนาพระปูติคัตะติติเทระบรรลุพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมพิธาแล้วแม้ชนเหล่าอื่นก็ได้เป็นพระอริยาบุคคล พระเถระบรรลุอรหัตแล้วก็นิพพานพระศัสดาทรงให้ทำศรีระกิจของท่านทรงเก็บอัติธาต์แล้วให้ทำเจดีทรงตรัสบุพภกรรมของพระติดสะในการแห่งพระพุทธเจ้ากัสปะเป็นพรานฆ่านกขายที่เหลือหักกระดูกแข้งขากระดูกปีของนกเหล่านั้นเพื่อมิให้บินได้แล้วกองไว้ขายวันรุ่งขึ้น ในเวลาที่ได้นกมากมายก็ให้ปิ้งเป็นอาหารวันหนึ่งพระขีณาศกองค์หนึ่งบินทบาทมีจิตเลื่อมใสคิดว่าโพชนามีอยู่จึงรับบาทใส่โพชนะเลือดรสเต็มบาทวายพระเทระด้วยเบญจางคประดิ์กล่าวว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าพึงถึงที่สุดแห่งพระธรรมที่ท่านเห็นเถิดพระเทระอนุโมทนาเอวังโหตุ จงเป็นอย่างนั้นด้วยอำนาจผลแห่งกรรมที่ได้ทาไว้ในการก่อนนั่นเองกายจึงแตกด้วยผลกรรมที่หักกระดูกนกทั้งหลายติดสะบรลลุอรหัดก็ด้วยผลกรรมการถวายบิณฑบาตอันมีรสเลิศแก่พระกีนาสก์ดังนี้แหละบทพิจารณาสังขารกายนี้ไม่นานเนอ จากนอนทับซึ่งแผ่นดินรั้นวิญญาณออกจากร่างดุดท่อนไม้และท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้